ทีนี้ในขึ้นมรรคใหม่เนี่ยนะยา ม, มกาวัที่สองนะสูตรนี้เป็นเป็นสูตรที่กล่าวรับรองว่าที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็คิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปสอนสอนคนอื่นให้เขาไปทำโดยที่ว่าตัวเองไม่ได้ทำมาก่อนเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะนั้นปฐมสัมโพทสสูตรเนี่ยก็พูดถึงว่าพระองค์ก็ไปเจริญอย่างนี้มานะ นะก็คือหมายว่ารับรองว่าปฏิบัติอย่างนั้นสําหรับผู้ที่สัตทินซีอ่อนว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ปฏิบัติเพื่อบรุบรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ไปคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือไปคิดอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะพระ อ, องค์ก็ตัดความสงสัยเนี่ยนะนะเพื่อให้เขามีใจน้อมที่จะพิจารณาตามดูก่อนพิสูจทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้นะคนะำว่าโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ปรารถนาความตรัสรู้นะั่นแหละเนี่ยนะ ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยตอนนั้นก็มีความคิดขึ้นว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความสลัดออกแห่งตาอะไรแล้วก็แข่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายแล้วก็แห่งใจเนี่ยนะการกรนัดก็ส่งสูตรนี้ไปเลยสิบสามเนี่ย 13, ไปถึงต้นทรศรีมหาโพธิ์ก็ไปนั่งนึกเออพระองค์เนี่ยนั่งนึกก่อนตั้งคําถามขึ้นใช่ไหมอะไรเป็นอาสาทาอาทีนวานิสรณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ แล้วก็ตอบเองนะนะนั่งไปเนี่ยไปเจริญที่เนี่ยพวกการขณะก็จะไปวันเสาร์นี้แล้วมันก็เอาสูตรนี้ไปเจริญกันแล้วกันดูกรที่สูตรทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักรโสนี้เป็นอัศธ า, าแห่งจักรุสจักรโสเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งจักรุส การกำจัดการละชันทราคาในจักษุนี้เป็นความสลัดออกแห่งจักษุเนี่ยนะก็อันนี้ก็ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจดีก็มาบวกกับอะไรอสส า, าอาทีนวะและนิสรณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้พูดถึงการค้นคว้าการไข่ครวญของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งไม่มีผู้อื่นบอกแนวทางเลยนะเป็นการไข้ครวนขึ้นเองเลยนะ อะไรเป็นอาสะท่าอารีนวะนิสารณะของใจของตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นอาศาาอาะทะของใจอย่างไงนะรู้เลยเลยว่าโอ้อาศัยที่ใจเนี่ยมันทําให้เกิดสุขโสมนัสหรือว่าสุขโสมนัสอาศัยใจเนี่ยอันนี้แหละเป็นอาศะทะของใจความที่ใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมนาอันนี้แหละเป็นอาทีนวะของใจเน้นถ้ากําจัดฉันทราคะในใจได้อันนี้แหละเป็ น, า น, น, น, านทาในใอนนนองออก ถ้าจะออกได้เนี่ยต้องทำอย่างนี้คือตัดความรักความเยื่อใยในความคิดเสนี่นะอันนี้คือทางออกของเรานี่ไม่รู้จะใช้วิธีนี้แก้ปัญหาให้หรือเปล่านะคือแนวความคิดแบบนี้นะถ้าบอกว่าถ้าตัดความเยื่อใยซะในสิ่งเนี้ยอันนี้คือทางออกนะวิธีนี้ทั่วๆไปนะในโลกเขาก็ไม่ค่อยยอมรับกันนะนะีมา เ, าเพราะอะไรเพราะเขาต้องการจะรักษาสิ่งนั้นเอาไว้มันไม่เที่ยงทำยังไงมันจะได้ อยู่นานขึ้นยาวขึ้นอะไรก็ไปเป็นลักษณะส่งเสริมในลักษณะนั้นแต่ความคิดในลักษณะเพื่อก็ตัดความเพลิดเพลินซะเนี่ยนะอันนี้ไม่ค่อยมากนะนี่ไม่ไปไปแนะนำบอกว่าปลงเสถิดเนี่ยนะเขาาแนะนำกันอย่างนี้ไม่สวนมากไปเยี่ยมป่วยเยี่ยมไข้เนี่ยนะคุณตุ๊จินได้ยินอย่างนี้บ่อยไหม อย่าญาติไปถึงเออปรองสเสถียรสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็แก่ ก, ก็ตายก็เจ็บก็ป่วยกันอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าห่วงหน้าผวองหลังเล ย, ยนะเพราะผู้ที่ห่วงหน้าผวองหลังแล้วมันทุกข์อย่างเงี้ยนะท่านตัดความรักตัดความเยื่อใยในตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียเถรเนี่ยนะมีไหมนั่นนะไปถึงก็ไปคล่ำครวญเลยนะดีอาจจะเออบางทีเขาก็มีเรื่องเล่าที่คร่ำครวญนี่ไม่ใช่คร่ำครวญอะไรหรอก เขาก็ไม่ได้ว่าห่วงใยคนจะตายอะไรเท่าไหร่เราก็ถ้าไม่ร้องให้แถวๆนี้อาจจะไม่ได้มรดกอย่างนี้นก็ไปร้องแถวนั้น น, น่ะนะสร้างคะแนนเอาไว้หน่อยนั่นนะแล้วก็ให้เห็นว่าชาวโลกทั่วๆไปซึ่งมากไปด้วยโมหะนั้นน่ะไปเพลิดเพ ล, เพลินในสิ่งที่ไม่ควดไม่ควรเพลิดเพลินที่เขาเพลิดเพลิน อ, อย่างนั้นก็เพราะอะไร เขบอกว่าจะมีอะไรนอกจากความลุ่มหลงเท่านั้นเองนะคือลุ่มหลงไม่รู้จักอาสาทะความจริงของสิ่งเหล่านี้นนะไม่รู้โทษภัยหรือพิษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้ว่ า, าการตัดชันทราคาในสิ่งเหล่านี้คือทางออกนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เลยมีแต่เสริมเสริมชันนราคาตลอดใช่ไหมดีนะแบ อ, า อ, อชาติหน้าชันใดขอให้ตะกกันอีกนอบนะนะไปตอออ้ออนวอกนกัน สังเกตนะจากอ่านหนังสือตามงานหนังสืองานศพนะเขาเรียกว่าอะไรถึงคนตายะนะหเห็นไหมชาติหน้า ก, ก็ขอให้เป็นแม่เป็นลูกกันอีกนะขอให้เป็นพี่เป็นน้องกันอีกรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขียนนะล่ะอ่านอย่างงี้มาหลายเล่ม น, นะนะลักษณะนั้นภรรยาการไม่เคยเขียนแบบนี้มั้งเลยนะเขียนแล้วพันกันยุ่งกันหมดนะ อตอนสูตรนี้พงค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรายังไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอั ส, สาธะแห่งอายตนะภายในหเหล่านี้โดยความเป็นอั ส, สาธะซึ่งโทษโดยความเป็นอาทีนะเนี่ยนะซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นสลัดออกอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสามนราพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเนีย่ยนะไอ้นี่ถ้าตัดฉันทราฆาในสิ่งเหล่านี้ทั้งสามันโงงเหว่งหรือเปล่านะเงาแย่นนชีวิตเงาไหมคุณนายว่าเงาไหมถ้าตัดฉันธราฆาได้อย่งังนนะ <laughs> ไงไหนเงาแย่เลยเนาะ คือถ้าผู้ที่บริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมจริงๆะนะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกอะไระนะก็มันเป็นความสุขอย่างอย่างสุดยอดจริงๆแล้วะนะก็คื อ, อไม่มีสิ่งใดจะสูงสุดเท่านั้นอีกแล้วในในในสัพพะสังขารทุกชนิดนะไม่มีสุขใดที่จะมีความสุขเท่ากับตัด ฉันทราค่าในอุปาทานขันห้าหรือตัดฉันทราค่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นสุขจริงๆนะนีไม่มีความสุขใดเสมอด้วยการละตันหาเพราะว่าตันหานี่มันเป็นเหตุแห่งทุกทั้งมวลเนี่ยนะถ้าตัดได้เนี่ยมันเป็นความสุขทั้งมวลอยู่แล้วทีนี้ตรงตรัสว่ามเมื่อใดเราได้รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอสาธ า, าแห่งอายตนะภายในห โดยความเป็นอาสาทะซึ่งอาทินวะเนี่ยโดยความเป็นอาทินวะซึ่งความสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็ญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแบบนี้พบใหม่ไม่ได้มีอ น, นะรู้เลยว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันด้วนและวคำว่าด้วนหมายถึงว่าถ้าทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้จะไม่ถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่แล้วแต่ทีนี้พวกสัตว์ทั้งหลายที่สําคัญตาหูจมูกลิ้นกลายใจโดยสัตตะสัญญาพอได้ฟังอย่างนี้เข้าก็ด้วยอํานาจอุเฉททิถิก็จะเข้ามาทันทีเพราะสําคัญว่าตาหูจมูกเ้นกายใจนี้เป็นสัตว์ก่อนหรือเป็น เป็นเราอะนะอเอ้ยงั้นเราก็ศูนย์นะสิใช่ไหมก็ยอมก็มนะันอะงั้นก็ศูนย์นะสินี่เป็นสนุกอะไรอ่ะก็มีคนที่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่เห็นไหมคือเนื่องจากไอ้อำนาจของสัตตสัญญาหรืออัตตสัญญาที่มีในตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจนั่นแหละสําคัญว่าเป็นเป็นเราเนี่ยนะหรือนิ จ, จสัญญาไปสํญญาคั ญ, ญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของ ที่ยงหรือสุขค่สัญญาไปสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ติดตามมาคืออะไรอาวนอ น, นะก็เหลือแต่ความอาวอนมากมันเอ๊ะถ้าถ้าไม่มีตาแล้วเอาอะไรมาบริหารเนี่ยนะใครจะมาเช็ดแว่นให้อย่างเงนะก็ไม่มีความสุขในการเช็ดแว่นเป็นต้นเนี่ยมันก็เลยเพราะยินดีในตานะก็ผู้ที่ไม่เห็นภายในสังขารก็ถือว่าการบริหารสังขารนี่เป็น ความสุขเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะก็ตามติดตามเพื่อจะพิจารณาเพื่อให้เห็นภัยในสิ่งที่เราสำคัญว่ามันปลอดภัยอะนะในสูตรที่สองนะทุติยะสัมโพธสูตรว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรเป็นอาสาท่าอะไรเป็นอาทีนะว่าอะไรเป็นนิสระแห่ง รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะและธรรมรมเนี่ยสูตรก่อนนี้อายตนาภายในะใช่ไหมสูตรที่สองนี่ก็เอาอายตนาภายนอกว่าอะไรเป็นอาสาทา่อาอธีนว่านินสระนาของอายตนาภายนอกดูกวามพิสูจนทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปนี้เป็นอสาท า, าของรูปเนี่ยนะหมายความว่าอาศัยสีนี่ก่อให้เกิดความสุขและโสมนัสใช่ไหมอันนั่นแหละเป็นอาสาทาของคําว่าอาสาท่าแปลว่า ความหน้าคล่องหน้าติดหน้าเพลิดเพลินอะ่ะก็มีอยู่เท่านั้นแหละคือมันก่อให้เกิดความสุขและสมานัตแต่ว่ารูปเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้เป็นโทษของรูปการกําจัดชั้นราคะในรูปนี้เป็นการสลัดออกแห่งรูปเนี่ยนะเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมณก็เหมือนกัน ดูความพิสูจทั้งหลายเรายังไม่ได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริงซึ่งอัศาธาแห่งอายตนะภายนอกหกเหล่านี้โดยความเป็นอัศาธาซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งความสลัดออกโดยความเป็นของสลัดออกอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นนะ เมื่อใดเราได้รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอาสาทาแห่งอายตนะภายนอก6กเหล่านี้โดยความเป็นอาสาทาอาทีธนะวะโดยความเป็นอาทีธนวะเนี่ยนะซึ่งนิสระณะโดยความเป็นนิสระณะอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมเทวดาและมนุษย์ ก็ยาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบคำว่าไม่กำเริบแปล ว, ว่าไม่ต้องมายึดถืออีกแล้วพ้นจากการยึดถือไม่ต้องมายึดถืออย่างนี้นะไม่ยึดถือว่าเที่ยงเป็นต้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้การสร้างรูปเสียงกลี่นรสเนี่ยจะมีเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแหละว่างั้นนะบัดนี้พบใหม่ไม่มีแปลว่าการปฏิสนธิในคันในเท่าใครเป็นต้นนะในภพสามนี่หาไม่เจอ อันพระอรหันนี้ความหมายหนึ่งว่าไงนะี่ยผู้ไม่มีการไปในภพทั้งหลายแปลว่าไม่มีการปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อแห่งการปฏิสนธินี้ท่านตัดแล้วตัดออกไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนมีคันเป็นต้นเนี่ยนะให้รู้เถอว่าพระอรหันไม่มาปฏิสนธิแบบนี้แร้ว น, นะคนที่ปฏิสนธิคือผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันเนี่ยนะ ในอัตกถาอธิบายว่าบทว่าอัจฉติกาังที่ชื่อว่าอัจฉติกะโดยที่เป็นภายในเนี่ยนะคือคำว่าภายในอะแบ่งเป็นภายในกับภายนอกกันนะทำไมจึงใช้คำว่าภายในนะทางคำถามก็ความที่อายตนะเหล่านั้นเป็นภายในเ พ, พิ่งทราบก็ได้ก็เพราะว่าฉันนราคะคือความกําหนัดด้วยอานาจความพอใจเนี่ยมีกําลังเกินประมาณะนะาบอกว่ารักเนี่ยรัก เหมือนตาเหมือนหูรักตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรักมากเพราะฉะนนั้ถ้าถ้าใครที่จะว่าหลอกหลอกภายนอกหน่อยนะก็หลอกว่าเนี่ยรักข้างนอกเหมือนกับแก้วตาว้างรักเหมือนกับดวงใจม้างก็ก็หลอกหลอกกันไปนะจริงๆมันไม่ได้มีใครทําขนาดนั้นเลยหรอกนะลูกเอ้ยฟังกันเถอะแม่เนี่ยรักเจ้าเหมือนกับแก้วตาดวงใจของแม่เลยละนะจริงแล้วไม่ใช่หรอกนั่นไ แต่ว่าอันนี้คื อ, คอเรียกว่าเปรียบเทียบนะนะบอกว่า ค, คือคือรักไอสิ่งเหล่านี้รักพระรักมากว่างั้นจริงอยู่อายตนาภายในเนี่ยเหมือนภายในเรือนของพวกมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบแบบทรัพย์สินทั้งหลายอ่ะนะอายตนาภายในเหมือนเข้าของที่เก็บไว้ในเรือนอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบๆอบทั้งนั้นเลยนะที่เก็บไว้ภายในเรือนอ่ะนะอายตนาภายนอกเหมือนอุปจาระคือใกล้ๆเรือนอุปจาระแปลว่าไอของที่บริเวณบ้านอ่ะนะ ของบริเวณบ้านกับของในบ้านรักอันไหนมากกว่ากันนะก็บอกว่าฉันนราคะภายในเรือนของพวกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยลูกเชืหรือลูกไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นทรัพย์เป็ น, ปนข้าวเปลือกไม่มีกําลังเกินประมาณพวกมนุษย์ไม่ให้ใครๆเข้าไปในที่นั้นนะเช่นละลาบละละ้วงยู ย, ยูแล้วโผล่ไปเข้าเข้าบ้านเลยนะอันนี้ก็เดือดร้อนนะเข้าบ้านยังไม่พอถ้าเข้าไว้แต่ตามห้องต่างๆอีกก็เดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นห่วงมาก น, นะเนะ เรียว่าอะไรที่มันอยู่ในเรือนเนี่ยห่วงมากติดกุญแจไว้ตั้งรู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นเนี่ยนะติดไม่ใช่ว่าล็อกไว้อย่างดีแล้วนะแล้วลืมลูกกุญแจไว้ในห้องนะห่วงมากเลยนะหนักๆ เ, เจ้าของก็จะขายเข้าไม่ได้ของเราก็มีกันบ่อยน ะ, ะทีนี้มีผู้กล่าวว่าจะประโยชน์อะไรด้วยเหตุเพียงเสียงพาชนะมีประมาณน้อยนี้ ฉันทราคามีกำลังเกินประมาณในอยนายตนะภายในในภายใน6ก็ฉะนั้นเหมือนกันอยน า, ายตนะายอายตนะเหล่านั้นเรียกว่าภายในเพราะฉั้นราคามีกำลังด้วยประการชนี้แต่ในอุปจาระใกล้ๆเรือนเนี่ยไม่มีกำลังอย่างนั้นคือไม่ห่วงเท่ากับภายในเรือนอ่ะนะคือภายอกเรายึดติดของภายในมากกว่าภายนอกว่า ง, งั้นแต่แต่ภายนอกก็ไม่ใช่ว่า ไม่ยึดนะแต่ว่ายึดน้อยกว่าภายในเท่านั้นเองท่านบอกว่าในอุปจาระใกล้ๆเรือนเนี่ยไม่มีกำลังอย่างนั้นมนุษย์ก็ดีสัตว์สีเท้าก็ดีที่เที่ยวไปในที่นั้นไม่มีใครห้ามเลยเนะพูดถึงแบบบ้านแบบค่อนข้างแบบชนบทหรือโบราณหน่อยนะถ้าเดินเฉียดๆบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้นะสมัยนี้แม้แต่ถนนยังเขียนป้ายเลยว่าถนนส่วนบุคคลนะนะ อัะนนั้นแสดงว่าหวงมากอัะนนั้แม้กระทั่งละแวกบ้านนี่ห่วงมากก็ยึดถือมากขนาดนั้นเพราฉะนั้นขนาดว่าถึงจะไม่ค่อยห่วงนะแต่ก็ไม่ปราถนาคือไม่ปราถนาก็ไม่ให้จับแม้เพียงแต่กล้าขนดินหมายคือว่าปุ้งกีนี่ก็อย่าไปยุ่งของฉันเด็ดขาดนะะยึดที่สุดแม้กระทั่งปุ้งกีแบกดินอะไรเงั้นแต่ทาไมต้องกล่าวถึงอย่างอื่นอ่ะนะก็ลองถังขยะหายดูสินะ ถังขยาก็ห่วงนะดูดูถาม่าชอบไหมคือคือชอบแต่ไม่โสมมานับนะแต่ห้ามหายานะใบไม้ตกนี่ไม่ได้เลยนะยนเพรนะาะเด็ดไม่ได้นะแต่ใบไม้ของเขาก็ไม่ได้ห่วงมากนะล้อมรั้วไว้อย่างดีนะจนล้อมร้สมัยใหม่นี่ล้อมจนขนาดว่าถ้าไฟไหม้ข้างในเนี่ยคนข้างนอกหมดิทธิ์ช่วยอะ่ะ ล้อมไม่เป็นอย่างดีใช่ไหมหนะ้าต่างติดโรกกรงบางทีรั้วนั่นล้อมไม่อย่างดีนะมีปัญหาจนคนนอกก็ช่วยไม่ได้นะล้อมตัวเองไว้ดีมาก <c oughs> ลืมคิดว่าตัวเองก็จะต้องออกจากพวกนั้นเงี้ย น, น, น, นะนนก็เลยลืมไป <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจึงไม่มีฉันทราคะมีกําลังเกินประมาณในที่นั้นแต่ก็ยึดอ่ะนะอิยตนะภายนอกนี้ก็ยึดก็ ถึงคนอื่นมาล่วงเกินนี่ไม่ได้นะแม่รูปเป็นต้นก็ไม่มีฉันทราคะที่มีกําลังเกินประมาณในที่นั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอายตนาภายนอกอย่างที่กล่าวนะว่าตากับสีนะเราห่วงตามากกว่าสีหูกับเสียงนะหวงห่วงหูมากกว่าห่วงเสียงพูดไม่ออกกับหูเสียเลยเนี่ยเอาอันไหนสมมติว่ให้เลือกสองอย่างเนี่ยในอย่างใดอย่างหนึ่งไหย ถ้าจะเลือกเอานี่เลือกเอาอันไหนเอาหูไว้ก่อนออนะพูดไม่ออกเป็นหวัดก็เอาไว้ก่อนนะอาจจะรักษาหายก็ได้นะเอาหูาไว้ฟังก็้วยังดีนะถ้าเป็นรถกับลิ้นนะเรารถเนี่ยเราจะคลายออกบ้างทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างนะอดไปสักมือสองมืออย่างพอได้นะให้เหลือลิ้นเอาไว้หน่อยเผื่อว่าหลังจะได้กินต่อไปอีกนั่นนะอาหารบางอย่างอาจจะเททิ้งอนะถึงจะอร่อยก็ยอมเททิ้งอนะ่ะเพราะว่าไม่หวงเท่ากับลิ้นอ่ะนะแต่ว่า แต่ถ้าเทียบลิ้นกับชีวิตอาจจะย้อมทิ้งลิ้นไปนะรักษาชีวิตเอาไว้หน่อยอย่างน้นนะแต่ว่าถ้าว่ารวมๆแล้วถ้าเทียบไอตัวภายในกับภายนอกนะห่วงตัวภายในยนี่มากกว่าภายนอกในห่วงมากจริงๆส่วนในรายละเอียดเกี่ยวกับยตนาภายในภายนอกนะั้นก็ในวิสุทธิมัพท่านก็อธิบายเอาไว้เยอะเนะี่ย ส่วนในปฐมอัสฏฐะสูตรก็อันนี้กล่าวถึงวิธีการพิจารณาของพระพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่ง น, น, นะว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาอั ส, สาฐาแห่งจักสุได้พบอัฏสฐส า, าแห่งจักรสดได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษแห่งจักรสูได้พบโทษแห่งจักรสูดได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ยวแสวงหาความสลัดออกแห่งจักสุได้พบความสลัดออกแห่งจักสุได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันนี้ก็บอกว่าอันนี้เป็นเป็นงานหลักที่ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะสมัยที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่าน ท, า, นทากิจเหล่านี้นะนะทำกิจในการเพ่งในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ จมูกเล่นกายใจก็เหมือนกันนะว่าเราได้เที่ยวแสวงหาอา ส, สาท่าแห่งใจก็ได้พบอา ส, สาท่าแห่งใจได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษแห่งใจก็ได้พบโทษแห่งใจได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาความสลัดออกแห่งใจได้พบความสลัดออกแห่งใจได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอา ส, สาธะ แห่งอายตนะภายใน6เหล่านี้โดยเป็นอาศทะซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะซึ่งความสลัดออกโดยความเป็นความสลัดออกเพียงใดก็ไม่สา ม, มารถจะปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพียงนั้นว่างั้นแ้แต่เนื่องจากว่าทรรมกิจเหล่านี้สำเร็จจึงได้ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้น ส่วนอายตนะภายนอก6ก็ลักษณะเดียวกันนะว่าพระองค์ก็เที่ยวสแสวงหาคุณหรือสแสวงหาอาสาทะแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมเนี่ยสแสวงหาก็ก็หาพบจริงๆนะหาพบด้วยปัญญาว่าเออพวกนี้มันก่อให้เกิดสุขและโสมนัตใช่ไหมอันนั่นแหละเป็นอาสาทะแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั้นเป็นอารทินาวะการตัดฉั้นราคาในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด อันนั้นแหละเป็นนิสรณะเนี่ยนะอันนั้นการเจริญหรือการพิจารณาจนจบกระบวนความอันนี้นี่แหละทำให้ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนในสูตรที่5เป็นสูตรที่ประกาศถึงปุตุชนกับพระอริยะเนี่ยนะมันมีความแตกต่างกันยังไงในการเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ ดูความพิสูจทั้งหลายถ้าอาสะท่าแห่งจักสุไม่ได้มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงกำหนัดในจักสุแต่เพราะอศาศะท่าแห่งจักสุมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในจักสุเห็น ไ, ไหมก็แสดงว่าตานี่มันให้ความเพลิดเพลินมา ก, ก น, นะสัตว์จึงกำหนัดนะถ้าตามันให้แต่ความทุกข์ทรมานอย่างเดียวนะใครจะไปเอานะใครสงสายจะต้องปล่อยไม่ยึดถือกันทั้งนั้นแหละแต่เนื่องจากว่า มันให้ความสุขสมมนัตเนี่ยมากถ้าโทษแห่งจักสุจักไม่มีแล้วายสัตทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในจักสุแต่เพราะโทษแห่งจักสุนี่มีอยู่ฉะนั้นสัตทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในจักสุถ้าความสลัดออกแห่งจักสุไม่ได้มีแล้วายสัตทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากจักสุแต่เพราะความสลัดออกแห่งจักสุมีอยู่ฉะนั้นสาทั้งหลายจึงสลัดออกจากจักสุเนี่ยนะก็ แสดงว่าการสลัดออกมีอยู่จริ ง, งนะเนีเมื่อมีการสลัดออกอยู่จริงเนี่ยจึงมีผู้ที่เขาสลัดออกได้นะถามว่าพระโสดาบันนี้สลัดออกจากจากักโสุหรือยังอ่านะพระโสดาบันสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เป็นบางส่วนใช่ไหมส่วนไหนส่วนที่จะเกิดในภพที่แปเป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็สลัดตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าพระสกะทาคามีก็สลัดออก เหลือไว้เพียงหน่อยคือมาเกิดอีกครั้งเดียวเนี่ยนะส่วนถ้านาคามีก็สลัดตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นกามมาพบออกหมดเกลี้ยงเลยนะก็เหลือเฉพาะที่เป็นรูปประพบกบอารูปประพบถ้าผ้าอาหารก็สลัดออกจากพบทั้งมวลนนสลัดออกเรียกว่าสลัดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจากพบทั้งมวลดูก่อนพิสู่ทั้งหลาย ก็สัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอาสาธะแห่งอายตนะภายในหเหล่านี้โดยเป็นอาสาธ่ซึ่งอาทีนวะโดยเป็นอาทีนวะซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะเพียงใดสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่เป็นผู้ออกไปพากไปหลุดพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกจากหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีใจเนี่ยถูกครอบงําอยู่เพียงนั้นยังไง ปกติเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีใจถูกครอบงําเอาไว้ในคือมีฉันทราคะเนี่ยครอบงําเอาไว้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายได้รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอาสาธะแห่งอายตนะภายในหกอาทิอย่านะโดยเป็นอาสาธะอาทีนวะโดยเป็นอาทีนวานิสรณะโดยความเป็นนิสรณะเนี่ยนะเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้ ออกไปพากไปหลุดพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกจากหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์มีใจเนี่ยมิได้ถูกครอบงำอยู่ไม่ไม่ถูกครอบงำนะเพิ่มมิไปสั์หนึ่งนะในหนังสื อ, อเขาตกมิไปสับหนึ่งมีใจมิได้ถูกครอบงำเนี่ยนะมาจะบอโอ้โหออกไปแล้วใจก็ยังครอบงำอีกกันั้นไม่ใช่ คิดดูนะโหเป็นหน้าๆเลยเพิ่งตกอยู่คำเดียวมันไม่ควรตาหนิตรวจได้ดีมากนะแค่ตกคำเดียวแค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากมก็เทียบเอาจากข้างบนนะข้างบนนี้ก็บอกว่าถูกครอบงมข้างล่างก็ต้องไม่ถูกครอบงำนะสังเกตจากหน้า21ก็ได้นะบรรทัดตั้งล่างนะก็ใช้คำว่ามีได้ถูกครอบงำอ๋อแค่คอมหมดนะรุน่นีใช้คอมหมดอนะ ไหนไหมเอาเพจไหมก็ทำเพจเพจมันทไม่ไหวหรอกมัยะมากในอัธกถาอธิบายว่าบทว่ายังได้แก่กิเลสชาติหรือวัตตะที่ยังละไม่ได้จิตของพระเสขาทั้งหลายเป็นอันชื่อว่ากิเลสชาติหรือวตตะยังยึดมั่นอยู่เป็นต้นแต่ในที่นี้จิตที่ อันกิเลส ช, ชาตหรือว่าตะชื่อว่าไม่ยึดมั่นเป็นต้นเพราะกิเลสและวัตตะของท่านละเหล่านั้นเนี่ยละได้โดยประการทั้งปวงแต่จริงน่าจะใช้คําว่ากิเลสวัดเนี่ยนะคือคําว่ากิเลส ว, วัดเนี่ยหมายถึงยังเศร้าหมองในในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคำว่ากิเลสเนี่ยเป็นชื่อของความเศร้าหมองอะนะถ้ายังมีความกําหนัดขัดเคืองลุ่มหลงในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงใดก็เรียกว่ายัง เศร้ามองในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงนั้นเพราะฉะนั้นพระเสขาทั้งหลายถามว่าท่านยังยังเศร้ามองในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ไหมเขาบอกว่าเศร้ามองอยู่เพราะอะไรเพราะยังกําหนัดอยู่เนี่ยนะยังขัดเคืองอยู่ในบา ง, บางส่วนก็ยังลุ่มหลงอยู่ในบางบางส่วนเนี่ยนะขนาดพระเสขานะไม่จํากล่าวถึงปุตุชนทั้งหลายแต่ว่าถามว่า เ, เหตุเหล่านี้คือกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่ทำปริญญากิจในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเพราะไม่รอบรู้นั่นแหละจึงกำหนัดในตาเพราะไม่รอบรู้นั่นแหละจึงขัดเคืองเพราะไม่รอบรู้นั่นแหละจึงลุ่มหลงอ่ะนะเพราะว่าไอาความกำหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงมันเป็นสมุทัยใช่ มันเป็นเหตุแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการรอบรู้เนี่ยจึงเป็นกิจที่ต้องต้องภาพเพียรต้องปฏิบัติต้องเจริญจริงๆรเนี่ยนะเพราะถ้าไม่ทํากิจคือปริญญากิจในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็สิ่งเหล่านั้นอนะ่ะเป็นที่ตั้งของกิเลสใช่ไหมเป็นที่ตั้งของบาปและอกุศลถ้าใช้คําว่าที่ตั้งแห่งกิเลสก็แปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งอะไรที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะก็ ไม่มีจบมีสิ้นนะว่างั้นส่วนสูตรที่2 อ, อกล่าวเฉพาะอายตนะภายนอกอะนะคือตาหูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏ ภ, ภะและธรรมรมแม้ในสูตรที่6ก็ในนี้เขาบอกว่านะแต่ในสูตสูตรนี้นะตั้งแต่สูตรที่1สูตรถึงสูตรที่6กเนี่ยกล่าวสัจจะสทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคือการประกาศอริยสัจแล้วนะทั้งหมดเนี่ย เห็นชัดนะว่าเป็นการประกาศอริยสัจจริงๆ